บางคนเนี่ยศึกษาธรรมะปั๊บเอ๊ะผมนี่มันเจริญไหนกันแน่วิตตกเจริญก็ไม่ใช่สรุปแล้วแปลว่าทุกเจริญนั่นแหละโลภะเจริญก็เต้ไม่หมดวิตตกก็เต็มไม่มไหมดเลยแหละมันเกือบทุกเจริญนะโทสะเจริญก็ใช่อีกเกือบทุกเจริญนั่นแหละถามว่าทาอย่างนี้ทํำยัางไงาก็ศึกษาให้มันทุกกรรมฐานนั่นแหละ mm hmm. ธรรมะเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยคนติดในนามมากพระองค์แสดงขันธ์ติดในรูปมากแสดงอายตนะติดทั้งนามทั้งโรคแสดงาธาตุของเราเนี่ยนะศึกษาให้หมดเลย นั่นแหละจึงจะเข้าใจเสรจถ้าคนที่ค้นหาความจริงเนี่ยส่วนจะชอบใช้คําว่าสัจจะพราะ น, นี้ก็จริงแต่ความจริงแบบนี้เป็นจริงแบบทุกขมาลีเนี่ยใช้คําว่าทุกขังทุกมาจากทุกขังเนี่ยมาจากทุกบวกขังทุตัวนี้นะเหมือนกับทุปุโตลูกชั่ว ขังเนี่ยแปลว่าเหมือ น, นอากาศอะว่างความทุกข์กับขังเนี่ยตามหลักการสนที่นะมันซ้อนกอ่อไก่เข้ามาตวงเป็นทุกขังเพราะนั้นก็คือไม่ดีกับว่างมาผสมกันแล้วมันจะเป็นอะไรไอคำว่าว่างถามว่าหูมีไหมมีโสตวิญญาณมีไหมเสียงมีไหมมีแต่คำว่าว่างก็คือว่างจากความเที่ยงหนึ่งนะหูเที่ยงไหม โสตวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงโสตหรือพวกเสียงนี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงเนี่ยมันว่างอย่างเงี้ยมันว่างจากความเที่ยงว่างจากความยั่งยืนว่างจากความสุขหูเนี่ยสุขไหมโสตวิญญาณเนี่ยสุขไหมเสียงเนี่ยสุขไหมถ้าโลภะไม่เกิดนะเสียงไม่สุขหรอกนั่นแหละว่างจากอัตตายอยู่ในนี้มีอัตตายอยู่ในหูไหม มีสัก์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นผู้สร้างผู้สเสวยผู้รับผู้อะไรอยู่ในหูอย่างไดอย่างหนึ่งไหมเพราะจริงๆแล้วหูก็มาจากหูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกรรมมรูปกรรมคืออะไรเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่ามีมีตัวกรรมอีกชนิดหนึ่งเป็นตัวสร้างขึ้นมาอีกกรรมก็คือตัวเจตนานั่นเองเป็นปัจจัยคือนี่กรรมะปัจจัยใช่เป็นนานักขาคณิกี่กัมมะปัจจัย นั้นถ้าหากว่าความเข้าใจอันนี้เกิดขึ้นปุ๊บจะรู้ว่าถ้าในหูนะถ้าไม่มีกรรมในอดีตเป็นต้นหูก็จะไม่มีแต่ทําไมกรรมจึงให้ผลมันมีตัวที่มันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่าถ้ามันไม่มีเชื้อมันไม่งอกเชื้อที่นั้นก็คือเชื้อก็คือความยินดีในหูคนนั้นเนี่ยมีศัทธะมีโสตะตันหามีโสตะตันหาน่ะจึงมีหู ก็ผู้ที่เจริญรูปประชานเพราะมีรูปปราคะคนที่เจริญอรูปประชานเพราะมีรูปอรูปปราคะคนที่ติดในกรรมคุณห้าก็เป็นพวกที่ติดในพวกหูตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไปอยู่ในพบที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าติดในเรื่องของฌานก็ไปอยู่ในพบของฌานถ้าติดในรูปประชานก็อยู่ในพบของอรูปประชานถ้าคนที่ละความยึดติดได้ก็หมดเชื้อเงี้ยไงไหนนะ ไม่ไปไหนสักแห่งอยู่ก็ไม่อยู่นะไปก็ไม่ไปอ๋อไม่ไม่ทรมานอีกนะสุขที่สุดอินทรีย์ยังไม่ได้เคยไม่เคยไม่ได้ค่อยพูดบ่อยนักนะอินทียโสต่าเป็นโสตินทรีย์เป็นใหญ่เหมือนกันเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงเสียงไม่เป็นอินทรีย์นะมีไหมสั์ทินทรีย์ไม่มีมีแต่สัพพาเสียงเนี่ยไม่ใช่สัพพานะ ต่อไปโสตาวิญญาณเป็นมนินรียเวทนาเป็นเ ว, เวทนานั้นเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขินรีชีวิตเป็นชีวิตอินรีย์เอกคตาเป็นสมาตินรียในนั้นมีอินทรีย์เยอะนะอินทรีย์ชนิดนี้เป็นทุกขสัตว์แต่อินรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติก็คือศรัทธาเป็นต้น ศรัทธาเนี่ยนะเบื้องต้นที่สุดก็คือศรัทธาว่าอันนี้เป็นผลของกรรมอ่ะเป็นกรรมมัศกาศรัทธาคื อ, อเมื่อเอาอินทรีย์มาอธิบายก็ยังไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอ่าไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกับว่าอธิบายในลักษณะที่เป็นสัจจะหรือว่าเป็นทุกข์กษัตริย์อะไรอย่างนี้นะครับเจนทาหรือว่าในเรื่องของขันห้านี่นะครับคือแสดงว่าไม่ชอบอะไรใหญ่ใหญ่ไง คือถ้าคนที่ชอบอะไรที่มันใหญ่ๆจะชอบเรื่องอินทรีย์เช่นว่ามันใหญ่ในการได้ยินเนี่ยก็คือหูถ้าหูนวกอะไรอย่างเนี้ยไม่มีทางได้ยินแต่ถ้าไม่มีจิตซักการรับรู้จะไม่มีถ้าไม่มีเวทนาการสวยอารมณ์ก็ไม่มีถ้าไม่มีชีวิตสิ่งนั้นจะไม่มีเพราะนั้นก็เรียกว่ามองแบบอะไรสําคัญที่สุดในเครื่องนั้นๆลักษณะนี้พิจารณาในลักษณะของอินทรีย์แต่อินทรีย์ที่ขึ้นมาเป็นอินทรีย์แบบทุกขสัจ ที่จริงในธรรมะเรื่องเดียวนั่นแหละถ้าในคัมภีธาตุคถาจึงกล่าวไว้เช่นโสตวิญญาณเป็นขันไดเท่าไหร่เป็นธาตุเท่าไหร่ยตนะเท่าไหร่ก็จะเป็นวิชาแบบลักษณะนั้นแต่อย่างไงกระแต่ก็เ ป, ปกเป็นวิปัสนาภูมิกันเจนพอเป็นวิปัสนาภูมินั้นธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะนะอะข้อความในอวิชาสูตรสังยุตติกายมหาวรวัต ว่าด้วยอวิชาภิกษุนั้นนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอาวิชาอาวิชาดังนี้อวิชาเป็นไนะและด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลจึงเชื่อว่าตกอยู่ในอวิชาอาวิชาเป็นยังไงนอ้อยังไงเชื่อว่าตกอยู่ในอวิชาพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุความไม่รู้ใน ในเหตุให้เกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางที่จะให้ถึงความปฏิบัติอาทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่ า, าวิชาอาวิชาคือความไม่รู้อันนี้ยไม่รู้ในสัจจะที่ที่หูได้ยินเสียงเนี่ยนะ ถ, ถ้าสงเคราะห์ลงทวารหูนะเพราะหูก็เป็นทุกข์ษัตริย์ใช่ไหมเสียงก็เป็นทุกข์กษัตริย์ไม่รู้ความจริงอันนี้แหละเป็นอวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาดูก่อนที่สุเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าผมใช้คําว่าเพียรใช่ไหมเพียรเพียรอันดับแรกเขาเรียกว่าเพียรละละอะไรก็คือละไออวิชชาที่มันเคยมีเนี่ยไม่ให้มันมีและต่อไปเพียรระวังอย่าให้อวิชชามันเกิดขึ้นเพียรเจริญปัญญาที่รู้เรื่องนี้ให้มันมากขึ้น แล้วก็เพียรรักษาปัญญาอันนี้เอาไว้ให้มันอยู่ตลอดไปเพระองค์ใช้คําว่าเพียรนะไม่ใช่ว่าเอาเล่นนะเอาจริงนะไงเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธถ้าขามีนิปฏิปทาเอาเอาอย่างนั้นเลยเนอะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เพียรเพราะปกติก็อยู่ในวิชาอยู่แล้วนะถ้าหากว่าวิชาสูตร่เป็นยังไง พิสูจน์นั้นก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าวิชาวิชาดังนี้วิชาเป็นไนด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลจึงจะเชื่อว่าถึงวิชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุความรู้ในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขในทางที่ให้ถึงความดับทุกขนี้เรียกว่าวิชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลย่อมถึง ย่อมชื่อว่าถึงวิชา น, นะถ้าหากว่ามีความรู้อันนี้อันดีนะนี่เรียกว่าถึงวิชาแต่ว่าถึงแค่ไหนก็สุดแท้แต่อินทรีย์อย่างเช่นอินทรีย์ที่มารอบรู้เรื่องนี้เรียกว่าปัญญีอินรีย์ปัญญีแบบเป็นระดับของวิปัสนาอ่าวิปัสนาเนี่ยนะมีหลายระดับชั้นในการรอบรู้สิ่งเหล่านี้น ะ, ะสมมุติถ้าเราลองคุยกันคร่าวๆอ่ะถ้าปัญญีย์ มารอบรู้ในเรื่องของหูเรื่องของเสียงเรื่องของโสตะวิญญาณในชั้นต้นจริงๆเนี่ยก็คือหูเนี่ยเป็นหูหูไม่ใช่อย่างอื่นเลยแต่แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยนะเขาฟังว่าหูเป็นเป็นเราอะ่ะหูเป็นตนตนเป็นหูแต่คนศึกษาธรรมะจะเห็นหูเป็นอวัยวะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดด้วยปัจจัยเท่านั้นเองแม้แต่เสียงก็เหมือนกัน เสียงก็เป็นจิตแตชรูปชนิดหนึ่งโสตวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่งภาษาก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งเพราะการประชุมของหู้เสียงโสตวิญญาณเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์ที่เกิดจากผัสสะแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีจริงแต่มันไม่ใช่ใครถามว่าเขาเป็นอะไรก็เป็นผัสสะเป็นเวทนาแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะเห็นเป็นเป็นตนเป็น เนื่องด้วยตนมีอยู่ในตนงนั้นข้อปฏิบัติในชั้นต้นที่สุดเลยก็คือรู้ความจริงอันนี้ก่อนนะถ้าอีกสำนวนหนึ่งก็คือรู้นี่คือขันนะนี่ก็คือแค่ขันหรืออีกอย่างหนึ่งใช้คำว่ารูปกับนามหูเป็นรู ป, ปรธรรมเสียงก็เป็นรู ป, ปรธรรมโสตวิญญาณและเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดเป็นนามรธรรมหูเป็นรู ป, ปรธรรมคาว่ารูปเพราะหนึ่งไม่รู้อารมณ์ เสียงก็เป็นตัวที่ไม่รู้อารมณ์แต่หูเนี่ยที่เป็นรูปเพราะเสื่อมสิ้นสลายไปเสียงก็เป็นธรรมชาติที่เสื่อมสิ้นสลายไปสลายไปเพราะอะไรหูนี่จะเสื่อมไปเพราะอะไรวิโรที่ปัจจัยเช่นความเย็นความร้อนความหิวความระหายสัมผัสอันเกิดจากเลือบยุงเป็นต้นสรุปแล้วก็มีแค่รูปกับนามไม่มีสัตว์อยู่ที่นั้นเลยแต่นี้เป็นความจริงยางนึ่งจึงใช้คำว่าสัจจะไงเป็นทุกขสั์ อ่ทีนี้ถ้าหากว่าคนที่อบรมปัญญามากกว่านั้นอีกจะรู้ว่าแม้แต่หูก็เกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมหูบางคนทําไมมีคุณภาพสูงมากเช่นเทวดาได้ยินเสียงแม่แต่ร้อยโยอดอะ่ะเขาได้ยินเสียงแม่แต่ไกลมากเพราะหูเข้ามาด้วยกรรมที่ปณีทบางคนเนี่ยฮว่าไงนะตั้งหลายครั้งยังไม่ทันได้ยินเลยอะ่ะอันนี้เป็น ผลของอากุศ ล, ลเจตนาบางอย่างทําให้หูไม่ดีหรือว่าหูบางอย่างก็เกิดจากมีปัญหาเรื่องน้ําเข้าหูทําให้เสียเป็นต้นก็เกิดจากอุตุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็อากุศ ล, ลกรรมด้วยทีนี้ในโสตวิญญาณก็เหมือนกันโสตวิญญาณก็มาจากปัจจัยเหมือนกันปัจจัยของโสตวิญญาณคืออะไรปัใจจัยใกล้ๆเลยก็คือไม่มีหูไม่มีเสียงโสตวิญญาณเกิดได้ไหม ไม่ได้ดถ้าวัตถุกับอารมณ์เป็นปัใจจัยใกล้ที่สุดตรงนี้แต่ทําไมได้ยินเสียงไม่เหมือนกันเพราะกรรมต่างกันกรรมต่างกันในเวลานี้ขณะนี้เนี่ยนะคนทั้งโลกได้ยินเสียงเหมือนกันไหมไม่เหมือนแม้แต่เรานั่งตรงนี้อยากคิดว่าจะได้ยินเสียงเหมือนกันนะเพราะจะได้ยินหรือไม่ได้ยินอยู่ที่มนฑสิการเขาเรียกว่าปโยคะในครั้งก่อน มณติการตัวนั้นแหละเป็นประโยค่เพื่อที่จะทําให้โสตวิญญาณอันนี้เกิดหรือไม่จริงอยู่โสตวิญญาณเป็นชาติวิบากแต่ถ้านั่งคิดเรื่องอื่นสัอย่างแทบไม่ได้ยินเลยอะใช่ไหมหรือหันไปคุยเรื่องอื่นสัอย่างประโยค่าไปเรื่องอื่นจิตอันนี้ไม่เกิดดังนั้นถ้าอันนี้เป็นผลของกรรมเราต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมปัจจัยและเรื่องเหตุใกล้ที่ให้ โสตวิญญาณเกิดก็คือเรื่องของประโยคะก็คือจิตก่อนๆนั้นแหละเป็นประโยคะด้วยให้โสตวิญญาณเกิดอั้นเราก็จะเริ่มรู้ปัจจัยเอ๊ะสิ่งเหล่านี้มีปัจจัยนี่มีใครสร้างไหมบางลับที่ว่ามีผู้สร้างนะไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นเราเมื่อมันเป็นตนเนี่ยเออเป็นตนเมื่อมันเป็นตนเนี่ยตนเนี่ยถูกพระอย่างหนึ่งอ่ะสร้างเราขึ้นนั่นแหละ ผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาขึ้นแต่พอศึกษาอย่างไงปับ๊บไออันนี้เกิดด้วยปัจจัยนีย่เมื่อเกิดด้วยปัจจัยเข้าผู้สร้างไม่มีคําสอนของผู้ตัวเจ้าบอกว่านี้เป็นผลของกรรมกรร ม, มสกตาศรัทธาเราจะมีขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงขยายในลักษณะกรร ม, มสกตาศรัทธามีความเข้าใจเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมมากขึ้น เจตนาที่เป็นไปกับการรับรู้อันนี้เป็นการทำกรรมใหม่หูได้ยินเสียงปัดททำกรรมใหม่หูได้ยินเสียงทำกรรมใหม่หูกับโสตะพวกนี้นะสองตัวนี้เรียกว่าชาติตัวชาติก็คือตัวหูชาราก็คือหูท่านท่านท่านท่านจริงอธิบายใช่ไหมหูไม่ดีนั่นแหละคือเช่นความแก่งอมของอินทรีย์อ่ะอันนี้ก็เป็นอินทรีย์ไหม เป็นโสตินซีไงชราก็คืออินทรีย์พวกนี้มันมันถูกชีรณะเตโชมันเผาจนอุ่มอลาไทยหมดอ่ะเผานานเผานานจนเผาจนจะแห้งอยู่แล้วอ่ะบางคนยังไม่ทันไม่ทันรู้ตัวเลยอ่ะนะนึกว่าจะอยู่อีกก็บอกว่าจะอยู่บอกพรุ่งนี้เราจะทําอันนั้นปรืนนี้เราจะทําอันนี้ปรือนู้นปลืนปีหน้าปีโนนวางแผนเป็นสิบสิบปีอ่ะนะไม่รู้ว่าจะดับเมื่อไหร่ก็ได้โซตินซีอย่าลืมนะโซตินรีบางอย่างมาจาก เมื่อมาจากกรรมหาความแน่นอนจากสิ่งเหล่านี้ได้ไหมตรงจึงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าผันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเจตนาใหม่ๆที่เราคิดอะไรไว้เรานั่นแหละเป็นคนรับเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เราทําเหตุอะไรล่ะ ผลความรู้ลักษณะนี้จะข้ามความสงสัยในเรื่องของพพชาติด้วยถ้าเรายังมีกรรมอยู่กรรมอันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิที่ไหนถ้าหากว่าคนที่เข้าใจเรื่องปัจจัยอย่างนี้ละเอียดละออดีเนี่ยคมภีร์ท่านกล่าวว่าปิดนรกได้ชาติหนึ่งอันนะั้เอาจะไปเอาอะไรมากมายนะักเพิ่งรู้เท่านี้เองตันั่นแหละความรู้อันนี้ปิดชาติได้ชาติหนึ่งนะปิดอบายได้ชาติหนึ่งแต่ที่นี้ว่าชาติหน้าไม่แน่ว่าไปทําอะไรอยู่ ใช่ไหมก็คื อ, อ, อมันก็ค่ากับทํางานายวันอ่ะน ะ, อะเอาไปมื้อหนึ่งคุณไม่ตายแน่มือนี้แต่ถ้าวันหลังคุณไม่ทํางานก็เปอร์เซนต์อดตายก็มีคล้ายๆแบบเนี้นะกุศลเหล่านี้ก็เหมือนกันอนุภาพเขายังไม่มากนัดแต่ทีนี้การรอดรู้ในหูพร้อมทั้งปัจจัยรอบรู้เสียงพร้อมทั้งปัจจัยโสตโสตวิญญาณทั้งเสียงเนี่ยนะพร้อมทั้งปัจจัยความรู้อันนี้เป็นยาตะปริญญาทีนี้เป็นตีรณะปริญญาเลย ถ้าหากว่าคนมีปัญญินีสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือจะรู้ว่าหูเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคหูเนี่ยก็คือตัวโรคเลยแหละเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลำบากเป็นผู้ฆ่าเป็นของว่างตุดโฉว่างสุญญโตเปล่าอนัตตะโตไม่ใช่อะไรอยู่ในนั้นเลยทั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดเพราะปัจจัยทาให้เกิด ถ้าไม่มีปัจจัยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีนั้นก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่กิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่ปัญญีนีปัญญาตัวนั้นถ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเราเกิดมาเราเคยได้ยินไหมว่าหูได้ยินเสียงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนนะขออนุมาไม่มีปัญญาคิดแน่เรื่องนี้ยอมรับเชื่อร้อยเปอรเเลยขนาดท่านบอกยังไม่ค่อยจะรู้เลยนั่นแหะยาก เพราะฉะนั้นไอเราไม่ขอสมาไม่เคยคิดน้ำที่แรกๆว่าเอ๊ะไอความรู้เรื่องอันนี้มันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ไม่ไมเนี่ยสงสัยนะเทียงด้วยไม่ค่อยเชื่อหรอกแต่มันศึกษาไปามันไม่มีทางอื่นนะเออชีวิตของเรามันก็มีอยู่แค่นี้แหละการที่เราพิจารณาหรือว่าเพ่งจริงเหล่านี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการขัดเกลาวสักกายทิฏฐิลงครั้งหนึ่งถูกไหครับถ้าหากว่าเพ่งบ่อย ก็ขับบ่อยๆวันหนึ่งสักกายะ ท, ทิทีิมันต้องหมดนะครับจนพอถ้านสมมุติว่าตัวสัมมาทิฏฐิในการพิจารณานี้นะพิจารณาหนึ่งครั้งปฏิบัติธรรมหนึ่งทีสมมุติถ้าพิจารณาอย่างนี้เนี่ยแสนโกดครั้งจึงจะเป็นพระโสดาบันสมมตินะถามว่าวันหนึ่งคืออย่างนี้นะในสติปัฏฐานสูตรท่านบอกว่าพิจารณาลักษณะเนี้เจ็ดวันหวังผลสองประการถ้าติดกันนะ มันเป็นแค่เรมีสติเวีรอบก็คือมีสติเป็นวงกลมอ่ะตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยรู้แต่เรื่องนี้เลยเจ็ดวันเป็นผ้านาคามีถ้าถ้าไม่เป็นผ้าหานก็เป็นผ้านาคามีสมมุติว่าไอ้เจดวันเนี่ยตีถ้าแสนโกดครั้งเอ่ะทีนี้วันนี้เราได้ครั้งหนึ่งไหมอย่างเงี้ยเมื่อไหร่มันจะต้องใช้ทุนขนาดนี้เจึงจับรรลุได้สะสมหน่วยกิจไปอย่างนั้นถ้าสะสมไม่ถึงก็ไม่มีทางแล้วไม่มีใครทําเผื่อใครได้ด้วยอ่ะนั่นแหละ ก็ตรงนี้แหละพระ อ, องค์จึงสอนว่าอยู่ที่ความเพียรของบุรุษอยู่ที่ความพยายามของบุรุษพระ อ, องค์จึงบอกว่าปฏิบัติเพื่อเหมือนกับดับไฟบนศีรษะพระ อ, องค์สอนให้เพียรพยายามนะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ลอยตามลมนะไปไปตามกระแสน้ําไม่ใช่พระ อ, องค์ใช้คําว่าเพียสมมรสมรปทานสีต้องมาถ้าวิชามันเกิดมากๆทํายังไงความเพียรจึงจะเกิดถ้าทําไมเอสติไม่ค่อยเกิดเลยพระ อ, องค์สอนให้พิจารณาสังเวกขวัตถุ ถ้าสมมุติก้อนีิดถ้าเราไปเกิดในนรกเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยมาพิจารณาเรื่องนี้ได้ไหมนะเกิดเป็นมดหมูปูปลวกไงได้ไม่ได้แม้แต่เกิดเป็นมนุษย์นะถ้าไม่มีโอกาสศึกษาอย่างนี้ถามว่าสามารถปฏิบัติได้ไหมถ้าเราไม่รีบรอบรู้ในเรื่องราวเหล่านี้แล้วเมื่อไหร่เราจะจะมีโอกาสอีกรอบสองไหมมีโอกาสรอบสองที่จะมาศึกษาคําสอนนี้อีกไหม ถ้าโยมาเกิดยุคหน้าเอาสมมติมาเกิดพศ ส, สักพศเท่าไรดีสองพันเจ็ดร้อยแปดร้อยไปแล้วเนี่ยยอมไปศึกษาที่ไหนธรร ม, มะแค่พศนี้ยังหาที่ศึกษายากเลยพศ ต, ต่อไปนีไม่ต้องพูดเลยมันจะที่แผ่วไปเรื่อยแผ่วแผ่วแผวแผวมันจะหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยขนาดรุ่นปู่ย่าตายายยังเข้าใจขนาดรุ่นหลานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยรุ่นเลนไปอีกยิ่งเลนเลนเลนของเลนเลนของเ ล, น, งเลนไปเนี่ยแผ่วไปเรื่อยและจน ไม่มีคําสอนเหล่านี้ความรู้เหล่านี้มีเฉพาะยุคที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้เพราะว่าคําสอนเหล่านี้มันถางชัดเรื่องทิฏฐิถามว่าถ้ามีคนเข้าใจว่าพวกนี้เป็นของเที่ยงเป็นสัตตสตทิฏฐิถ้าคนที่เข้าใจว่าอันนี้เนี่ยศูนย์หมดเลยเป็นอุเฉท ท, ทิฏฐิแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ ปัจจัยอยู่ที่แรงส่งของเขาอ่ะก็เหมือนกับพัดลมที่มันหมุนได้ก็เพราะอาศัยกระแสไฟฟ้าถ้ากระแสไฟฟ้ายังมีอยู่ก็ยังหมุนต่อไปถ้าองค์ประกอบพร้อมนะถ้าหากว่าปัจจัยคือกระแสไฟฟ้าไม่มีพัดลมก็ไม่หมุนนะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเกิดเพราะปัจจัยแต่ถ้าเข้าใจว่าหมดเลยเป็นอุเฉททิฏฐิหรือเที่ยงเป็นสัสตะทิฏฐิ บางคนไปเข้าใจผิดว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างขึ้นมาอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยไปเรื่อยเลยหรือบางคนเนี่ยมันลอยๆยไม่มีเหตุมีผลบางคนบอกเที่ยงบางอย่างศูนย์นั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็เป็นลัทธิอื่นๆเป็นลัทธิที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสางชัดไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลีอวิชชาอะไรเลยเรื่องพูดถึงว่าเรื่องอวิชชานะ ในบรรดาเจตสิกทั้งหลายนี่นะครับมีอยู่สองตัวที่ผมสังเกตดูนะครับที่ที่เข้าใจยากนะฮะสมมติถ้าเจตสิกเช่นโทสะเมื่อเราเกิดโทสะเราก็เราก็พอรู้นี่โทสานะนะนะโทสะหมดก็พอรู้นะหมดโลภะรู้ก็พอรู้นะอิจฉาเกิดเราก็พอรู้นะนี่อิจฉาเขาแล้วนะนะฮะแต่พอโมหานี่นะไม่รู้เลยนะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีโมหะตราบใด ถ้าเรายังไม่มีปัญญานะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีโมหะอ้าวก็โมหะมันแปลว่าไม่รู้อยู่แล้วแปลงไหมเราไม่สามารถบอกว่าขนาดนี้ฉันมีโมหะนะไม่บอกบอกไม่ได้เราบอกได้แต่คําพูดนะเชนปะ้นาแต่จริงๆเราไม่สามารถรู้ลักษณะเลยคนบอดเนี่ยนะต่อเมื่อสว่างแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้หมึดนี่ที่เราที่เรารู้ว่าทุกวันมันหมึดเพราะเรารู้จักสว่างคนที่เข้าใจในเรื่องอริยสัจแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้เป็นอวิชชา แต่ไปถามคนทั่วไปไม่ได้ศึกษานะาไปบอกว่าเขาไม่รู้ไม่ได้นะมีเรื่องแน่นั่นแหละดูก่อนพี่สูตรทั้งหลายเมื่อผ้าหรือศีสระถูกไฟไหม้แล้วควรจะทำอย่างไรอยูย่เนี่ยไฟมันลุกบนหัวพุ๊บขึ้นมาเลยนะเหมือนกับที่ถนนเพชรบุรีใช่ไหมแก๊สมันระเบิดเข้ามาไม่ผ้าอะไรทำไงพี่สูตรทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเมื่อผ้าหรือศีสะถูกไฟไหม้แล้ว ควรจะกระทำความพอใจพยายามอุตสาหะความไม่ย่นยอ่อความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อดับผ้าหรือสีสะนนั้นพระองค์ตรัสว่าดูก่นพนสูจนุทั้งหลายบุคคลพึงวางเฉยไม่ใส่ใจถึงผ้าหรือสีสะที่ถูกไฟไหมแล้วพึงกระทำความพอใจพยายามความอุตสาหะความไม่ย่นยอ่อความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่ที่ยังไม่ตรัสรู้เขาบอกว่าถ้าหากว่าไฟไม่พ่านั้นเป็นกิจที่ยังวางเฉยได้เลยแต่การเรียนรู้เรื่องอริยสัจนี่ไม่ได้เลยนะจะต้องทำความพอใจพยายามอุตสาหะไม่ย่นยอ่อไม่ยอ่อท้อไม่ท้อถอยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อตรัสรู้อริยสัจที่ยัง ไม่ตรัสรู้ตามความเป็นจริงอริยาาสัจสี่เป็นชไหนก็คือทุ ก, ทกขสมุทัยทุกขานิโรธแล้วก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาดูกนพี่สุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขเป็นต้นนะโป่งก็ย้ําหน้าดูเลยนะเพื่อที่จะให้มองเห็นว่าเออเนี่ยทุกนะทุกเพราะทุกาอะไรไม่เที่ยงเป็นต้นะนะเนาะ แต่ก็เป็นเหตุก่อให้ทุกทางใจด้วยนะไอ้ไม่เที่ยงเนี่ยมีอิทธิพลต่อสภาพจิตของเรามากถ้าเราไม่อบรมปล่อยความคิดให้ลอยไปวันๆเนี่ยเออแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมแล้วแต่บุญไปตามกรรมแน่ไม่ต้องห่วงอะ่ะแต่ทีนี้กรรมที่ทํำนี่มันกรรมชนิดไหนอะ่ะไปตามกรรมแน่แม้แต่เพียรพยายามการปฏิบัติเหล่านี้ก็เป็นการไปตามกรรมแต่เป็นกุศ ล, ลกรรมนั่นแหะ เราเนี่ยครับดูไปเะครับหูเป็นทุกยังไงอ่ะโสตวิญญาณเป็นทุกยังไงเสียงเป็นทุกยังไงอ่ะเป็นสิ่งที่ควรกาหนดรัว้วเนอทุกภาษาทั้งนั้นนะครับคือยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะทวารอื่นนี่ต้องปรารถในในยะเดียวกันเลยนะแต่ว่าอาจจะพเทงหกทวารเลยเนี่ยมันสับสนอันนี้เอาเอาเป็นเรื่องเป็นเรื่อ ง, องทางตาเราว่ามาเยอะแล้วเอาเป็นหูบ้า ง, งแล้วถ้าไล่ครบทุกทวารปุ๊บนะ ถ้าหากว่าคนที่สังเกตความรู้สึกท่านไล่ได้ครบทุกทวารแล้วตรึกอย่างนี้บ่อยๆนะความคิดเราเปลี่ยนไปจากจากเดิมค่อนข้างมากนะความตื่นตัวตื่นภัยเป็นต้นเนี่ยเห็นทุกเห็นโทษเห็นบาปเห็นหนั ก, กุศลเนี่ยมากกว่าเก่าเยอะแต่ก็อยู่ที่อำนาจของความความเพียรพยายามในความเข้าใจอันนี้นะตรงนี้ก็สุดแท้แต่ปัญญินรีและใครสะสมปัญญินรียมากก็จ ะ, ะละคลายได้มากถ้าหากว่า ปัญญินรีน้อยก็พระพุทธเจ้าบอกพระองค์จะทําอะไรได้